أعوذ بالله من الشيطان الرجيم س م الله ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقب ت ل ل م ت ق ي ن ولا عدوان إلا على الظالمين و ص ل و وسلموا على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ب ع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته สัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเราได้ถึงตักซีอธิบายอายะที่หกสิบซึ่งเป็นอาะที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์คำบัดสื่อเนื่องจากชชนะในสงฆ์คำบัดด้วยปัจจัยที่มันผิดกฎเกณฑ์ทั้งหลาย ที่ทำให้สหายได้ไดชนะท่ามกัาสถานการณ์ที่ฝ่ายมุสลิมจะจะมีสภาพที่อ่อนแอทุกด้านแล้วก็ฝ่ายกุริย์สริชางุริรรยินก็จะมีความแข็งเกร็งทุกด้านถ้าผลลัพ์ของสงคำนั้นก็คือชนะ ของอัลนลมีและสหาย์จึงเกิดความเข้าใจจากสหาย์ว่ายังไงก็ชนะยังไงก็ชนะลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ก็ได้สั่งสอนสหาย์ไม่ให้วางใจในเรื่องการเตรียมตัว สถานการณ์ที่กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮสุบัยนวนบีอลลอฮวางไว้ในสังคมมนุษย์นั้นพระงก็จะไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทุกสถานการณ์ เมารู้ว่าอัลลอฮฺสุฮาห์โนอาาจะไม่ส่งอะไรกับมาช่วยในทุกสงครามอัลลอจะไม่ให้กดเกลีนแ่งชัยชนะเช่นความสามารถด้านอาวุธหรือจานวนนักรบที่ปกติแล้วมันก็เป็นปัจจัยในกัน ให้คะแนนหรือชีวัดว่าบ้านปลายของสองครามมันน่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งในคำสั่งสอนที่รัชสภาดอนวัตาได้ประทานลงมาหลังจากที่ได้รับชัยชนะนั้นแล้ว <c oughs> มันไม่ได้เป็นเพียงคำสอนหรือเป็นบทเรียนให้สห่าได้ปรับทัศนคติในหน้าที่ที่จะต้องเตรียมตัวทุกสงครามหรือทุกการประทะกับศัตรูยามที่มีสงครามแต่มันยังเป็นคำชี้แนะ ให้สังคมมุสลิมได้มีความพร้อมในการที่จะสู้รบและป้องกันตัวเองแม้นวัวไม่มีสถานการณ์ของสงครามเพราะการเตรียมตัวที่จะพร้อมสู้รบกับคนอื่นนั้นไม่ใช่ว่าจะพร้อมก่อนที่จะสู้รบ ป, ประเดี๋ยวประดาวนนีนัดจะประทะกันแล้วเนาะ เเตรียมพไม่ใช่มันต้องเตรียมมันต้องเป็นยิทยาศาสตร์ต้องเตรียมระยะยาวมันจึงเกิดยิทยาศาสตร์ที่โลกทั้งปวงเนี่ยเขาก็เขาก็ตระหนักกันดีว่าการที่จะมีอาวุธและความสามารถดันการทหาร มันเป็นการค่มศัตรูมอใหิบางอาจคิดที่จะละเมิดที่จะละเมิดเราฉะนั้นสังคมสังคมมนุษย์เนี่ยได้มีความตระหนักแล้วอ่ะเราจะมีกองทัพ เราจะมีอาวุธเราจะมีกระทรวงกระทรวงที่ดูแลเรื่องเนี้ยาเราก็ไรกันกนาโหมแต่ทั่วโลกเขาไม่มีกันอาห่มทั่วโลกโลกเขามีกระทรวงเรียกกระทรวงป้องกันกระทรวงคุ้มครองดินแดดอะไรแบบนี้เนื้อหาตรงตรงเลยก็คือ หน้าที่ของหน้าที่ของหน่วยที่รัฐบาลจะต้องเตรียมเตรียมุบประมาณนี้เข้าเนี่ยในการที่จะสร้างความพร้อมกับกับรักรบกับนักสู้ในด้านการฝึกซ้อมหรือการเสื่อเสือสอาวุธกระตายเนี่ยเพื่อป้องกันประเทศชาติและดินแดน ในยุคจกักรวรรดินิยมมันไม่ได้เป็นการสร้างอาวุธหรือสร้างความพร้อมกับกับกองทัพเพื่อป้องกันดินแดนอย่างเดียวก็มันเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อรุกรานเพราะจากักรวรรดินิยมต้องการที่จะขยายข น, น, นะ น, นานน่คม กวาดีอยู่ีอยู่ทุกอาณาจักรเนี่ยเขาอยากจะเออจกักรวรรดิอยากจะใครอยากจะอยากจะใหญ่อยากจะโตใครเอเคยไปประเทศฮอสแรลนยออสเนรเลี้ลนเท่ากับจังหวัดสุราษฎร์ ถ้าใหญ่นีน่มันก็สุราสุรัตกับ ป, ปัจจุบคนแรกนี่ก็คิดจะเป็นเอกสารคิดจะเป็นจักรพรรดินะคิดจะเป็นคิดจะเป็นเจ้าของอาณานิคมข้ามทวีปเหมือนอังกฤษเลยจะเป็นยุคยุคๆจักรวรรดินิยม คนนิยมกันใครใใครใที่เป็นกรัองเล็กๆอย่างนี้ก็อยาันีฮอลแลนด์จะไปสูอะไรกังกฤษกัฝรั่งเศสพวกพวกนี้พวกช้างเดนอสเซฮอลแลนด์จะไปอะไรกัน ก็ใช้วิธีวิธีสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเวลาเห็นราชสีเนี่ยสิงโตเนี่ยมันมันจะไปล่าสัตว์ในอาณาเขตพื้นที่ของมันเนี่ยสุนัขจิ้งจอกนี่มันไม่มันไม่ฝันไม่คิดนะที่จะที่จะ เมงงั้นมันก็เป็นเหยื่อของสินโตร์เนี่ยมันกเน็เป็นของกินของมันเลยอ่าถ้าเมงง่ดีอ่ะมุ ไ, มไปล่าโน่นที่ไกลไกฮอลแลนด์ก็เลยข้ามทวีปข้ามทวีปเอเชียทางโขงอฟริกาล้นูน่นนะเป็นไหอินโดนีเซียฮอลแลนด์ น, ลลนนะอินโดนีเซีย แล้วทำไมด้เนอเซียก่อนนู้นถือว่าเป็นกรอบกาะเดินเถือนอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีไม่น่าจะไม่น่าจะมออีอะไรที่น่าสนใจสำหรับสำหรับอันนั้นจัดใหญ่โตเหมือนอังกฤษเหมือนฝรั่งเศสเดนมากอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็น เป็นราชาณาจักนะเป็นกษัตรินั่นเองมาทุกวันนี้ก็เป็นกษัตริย์จะไปสู้อะไรเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นอาณานิคมเขาล่าอาณานิคมจนเกลี้ยงหมดแล้วแต่ก่อนโนบลุตุเกอสเปนเนี่ยก็ก็ใหญ่มืองเงินนะทั้นหมากก็เลยเราก็ไม่มีไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่จะไปล่าอาณานิคมเนี่ย ก็เลยไปนุ่นน่ะไปเอขั้วโลกเหนือหนุ่งขั้วโลกเหนือนี่เราไปดูพี่ลุงคงที่เหนาวหนือนี่คงไม่มีใครไปเออกือจริงด้วยไปได้เกาะเกาะหนึ่งชื่อกรีนแลนด์เกาะกรีนแลนด์นี่ถ้าเราไปดูในในแผนที่โลกนะมันจะดูใหญ่แต่ที่จริงเนี่ยเหมือนมันไม่ไม่ใหญ่มากหรอกเพราะแผนที่โลกเนี่ยมันถูกวาดด้วยพิกัด บางอย่างที่ทําให้ข้อที่จริงของพื้นที่และแผ่นดินบนโลกเนี่ยพอมาถูกวาดบนแผนที่ที่เป็นกระดาษเนี่ยมันก็จะขยายตัวกรีนแลนด์นีไปดูแล้วนี่นะกรีนแลนด์เนี่ ย, นะ เ, ยเท่ากับทวีปแอฟริกาสมบัติเป็นไปไม่ได้มันเล็กกว่าทวีปแอฟริกาเยอะเลยแต่ก็ใหญ่นะใหญ่ในกรีนแลนด์เนี่ย เท่าตัวพื้นที่ของประเทศเดนมาร์กหลายสิบเท่าจำได้ไหมเดนมาร์กต้นต่อของการลบลูท่านนาบนีแข่งขันกันในการสร้างกองทัพอันองอาจเพื่อป้องกันประเทศตัวเอง อ้องการชีวิตของประชากรรัศดรดูแลดูแลทรัพยากรของดินแดนของตัวเองหาใช่เช่นนั้นไหมก็ยุคยุคนั้นน่ก็คือสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพเพื่อขมเหงและปล้น ล้นคนอื่นแต่ตองอี้เอ้าการอาณาจักอิสลามนี่ก็อย่างนั้นเหมืนกันนะการับฏยึดดินแดงเขาแล้วก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราคุยกันก็ต้องก็ต้องมาคุยด้วยข้อที่จริงมาวางบนโต๊ะเข้อที่จริงมาวางบนโต๊ะอาณาจากอิสลามไม่ได้พิชิตดินแดนต่างๆแล้วก็ เอาชาวบ้านมาเป็นทาเอาทรัพยากรของเขามาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองและไม่มีการพัฒนาและไม่มีการนำคุณธรรมสิ่งดีๆที่เขาเชื่อถือเอาไปให้เขาประเทศยุโรปในยุคจกกักรวรรดินิยม ได้ชิดดินดินแดนต่างๆด้วยการเข็นค่าเข็นค่าชาวบา้านวิศวพยกรของเขาแล้วก็ที่สุดแม้กระทังศาสนาที่เขาเอาไปเผยแพร่ก็เอาศาสนาแบบแบ่งวันนักเช่นอังกฤษที่เผยแพร่ ศา ส, สนาคริสตในประเทศแอฟริกาสังส่งสรรค์ให้สร้างโบสําหรับคนผิวดำและบทสําหรับคนผิวขาวทุกคนนี้ก็ยังมีนะทุกคนนี้ก็ยังมีที่อเมริกาก็ยังมีที่เซาท์อฟริกาก็ยังมีบางประเทศที่รวมนี้ก็ยังมี คุณธรรมในการสร้างความแข็งแกร่งเราจะไม่พบนะในคมพีหรือแม้กระทั่งในความคิดของนักปราชญที่เคยเป็นกนสื่อเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นปรมาจารย์ที่แนะนำแนะนำผู้นำในยุคจกักรวรรดินิยมว่าสร้างอาวุธกัน สร้างความแข็งแกร่งของกองทัพกันเพื่อมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะพัฒนาประเทศชาติในการที่จะในการที่จะปกป้องปกป้องชีวิตปกป้องดินแดนคมศัตรูไม่ให้บางอาจมามาคมเหงมาลุกรานไมย การสร้างอาวุธตามสเตปหรือคันลองของของวิชาต่างๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากไม่มีคุณธรรมควบคุมจึงพาตัวเองไปสู่ที่สุดของความแข็งแกร่งที่ไร้คุณธรรมสร้างอาวุธ ไม่ได้สร้างอาวุธเพื่อปกป้องดินแดนแต่สร้างอาวุธเพื่อทําลายดินแดนจนที่สุดนี่นะสร้างอาวุธเพื่อทําลายโลกทั้งปวงเช่นอาวุธปรมาณูนิวเคลียร์นิวเคลียร์นเดี๋ยวนี้เนี่ยได้ข้อสรุปที่เขาเดี๋ยนี้เขาเขาเจรจากันจะได้ยกเลิกการผลิตนิวเคลียร์นี่พร เพราะเขได้สรุปว่าถ้าถ้าทุกประเทศเนี่ยใช้อาวุธนิวเคลียสของตัวเองอะนะ ส, สรุปสุดท้ายเราจะไม่มีโลกให้อยู่ <c oughs> แต่ตอนที่สร้างมาตั้งแต่แรกนัยนะสร้างนะเสร้างมาจะได้อะจะได้คมใช่ไหมจะได้คมแต่มันไม่มีคุณธรรมควบคุมตั้งแต่แรกเลยไงแค่แข่งขันกันในการสะสมอาวุธ ถ้าหากว่ารมาณูหรืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันมีเหตุผลในการที่จะขมศตรูหรืออาณาจักรที่มันไม่มีไม่มีคุณธรรมเลยอย่างเช่นที่เ ข, เขาที่เขาอ้างเหตุผลของอเมริกาที่เขาอ้างกันนะเหตุผลของอเมริกาว่ามันจาเป็นน่ะจำเป็นต้อง ต้องระเบิดปรมาลุที่ที่ญี่ปุ่นเพราะทั้งกองทัพทั้งประเทศชาติคื อ, ค, อคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องนิสัยของเขาที่ยับยั้งไม่ได้แล้วจนกระทั่งนักปัจชายเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องต้องพบกับความพ่ายแพ้ที่มันแบบ ตำช้าที่สุดคือเขาต้องรู้สึกว่าเขาแบบสุดๆโดนแบบสุดๆเลยเขาบอกว่าความจำเป็นตึงต้องใช้นิวเคลียกับญี่ปุ่นใช้ไปแล้วแค่สองลูกนะโดชิมาและก็แ ก, กสกิสองเมืองได้เป็นแสนซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ยังอยู่ในช่วงจักรวรรดินิยมมั น, นะมนไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปลายปลายละจักรวรรดิมันไม่มีสมรภูมิช่วงที่อาวุธถูกพัฒนาโดยไม่มีคุ ณ, ณธรรมแล้วเนะ่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะคาว่าสมรภูมิมันเลยไม่มีละเมืองที่ราษฎรอาศัยอยู่คนที่ไม่ได้เป็นทหารนะนะ มันก็เป็นเป้าหมายเรียกว่าก็เป็นสมรภูมิเหมืนกันงนั้นสามแสนกว่าคนที่ตายไปในญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งทีสองในพวกพวกอุนยุคเนี่ยก็ล้วนล้วนเป็นเป็นชาวบ้านเป็นคนละเมืองไม่ใช่ทหารทหารญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยก็อยู่อยู่อยู่ไทยอยู่อินโดอยู่เวียดนาม่ แต่หารญี่ปุ่นน่ะนะแต่ไปยิงไปยิงที่เฮโรชิมานะกะซึ ก, กินี่ไปยิงที่นู่นซึ่งทำให้ผู้นำประเทศแลวก็แลวก็แม่ทัพทั้งหลายเนี่ยเขารู้แล้วว่าแบบนี้สู้สแบบนี้เนี่ยไม่ไมรอดผมบอกว่าถ้าสมมติว่า ในสงครามโลกมันห้ำกันจนกระทั่งมันคือสัดกันจนกระทั่งผมว่อต้องอต้องมีการสั่งสอนบ้างอะนะแล้วก็แชรอาวุธนิวเคลียร์โยนไปแล้วลูกสองลูกนี่ก็แล้วกันไปแต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มากกว่านั้นแล้วมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ รัสเซียมีอยู่ประมาณเก้าพันลูกรเมริกามีอยู่แปดพันกว่าลู ก, กตุรกีมีอยู่สามพันกว่าลูกฝรั่งเศสมีอยู่พันกว่าลูกอิสราเอลอย่างเดียวก็มีอยู่สองร้อยกว่าลูกอินเดียมีอยู่สองสามร้อยลูกกับปากิสานี่ก็แข่งขันกันสะสมเนี่ยใครจะมากกว่าใครคือไม่ต้องไม่ต้องถึงร้อยลูกนะครับแค่ห้าสิบลูกเนี่ยแบ่งกันห้าสิบลูกกันนะ ทะยอนกันไปยนกันมาเนี่ยจะไม่มีอินเดียไม่มีปากีเลยเรียบร้อยพอดีไม่ต้องสะสมถึงคนละสองร้อยอนนี้อนี้สองร้อยแล้วชันสามรอยอันนี่สามรอแล้วชันสี่ร้อยไม่ต้องถึงขนาดนั้นล่ะสิบลูกสิบลูกยี่สิบลูกนี่ก็ไม่มีดินแด น, นให้อยู่แล้วทั้งสองชาติเนี่ยสิ้นสิ้นซากคุณได้ทำอยู่ไหนอ่ะ อันนี้ใช่เตรียมพร้อมเพื่อคมศัตรูไม่ให้รุกรานไหมไม่ไม <c oughs> อันนี้เป็นการแข่งขันในการสร้างความพร้อมที่จะทำลายลลกนักสิทธิมนุษยธรรมนี้ก็เลยเรียกร้อง <c oughs> ให้มีสุดที่สัญญาระหว่างประเทศโดยเดีมหาอำนาจในการที่จะยุ ต, ติผลิต ยุติอลิรก็ยุติมดเปียด <c oughs> <c oughs> ูในประวัติศาสตร์อิสลามคำสั่งสอนของท่านนบีซุลว่านละวะอัลลอฮในการทำสงครามห้ามเผาต้นไม้ห้ามทำลายสวนนาะห้ามทำลายพื้นที่ทำามากินของชาวบ้าน คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทหารห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามละเมิดโดยเฉพาะสตรีและเด็กคนละเมืองที่ไม่รู้อินูอินเนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประทะกับการทําสงครามแม้กระทั่งชายที่แข็งแกร่งแข็งแรงสามารถเป็นนักรบได้นะแต่ไม่ได้เป็นนักรบทํานาข้าห้าม น บ, บีสั่งสอนว่าตอนตอนมีชีวิตและหลังจากที่สอบ้านใดยไปพิชิตเมืองแต่าอาวุกระหี่ยวา ก, ก็จะตั้งใจพอจะไปส่งกองทัพเดินทางเนี่ยก็จะต้องไปส่งแล้วก็เดินกับแม่ทัพเนี่ยคำชักคำชับด้วยวาจาด้วยคำสั่งสอนในคุณธรรมของการทำสงคราม น, นี่คือข้อแตกต่างระหว่างการทำสงครามในอุดมคติของมุสลิมแม้กระทั่งห <c oughs> ลักการศาสนาในการที่จะทำจิจาดก็คือสู้รบเพื่อปกป้อง ดินแดนเนี่ย <c oughs> อันที่จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะสู้รบที่จะั้งสงครามที่จะประทะกับศัตรูก็ยังมีกฎเคร่งครับในการที่จะหลีกเลี่ยงมิให้ประพฤติหรือกระทาสิ่งที่มันเป็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนฆ่าเฉลยฆ่าเฉลยเอเ่ อ, อ, อ, อ, อละเมิดเอ่อละเมิดพลเมืองหรือเอ่อใช้อาวุธในการเข่นฆ่าคนบริสุทธิ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนี่ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่กองทัพมุสลิมได้รับคมสั่งสอนัดกจีนไม่ไม่กระทันถึงแม้ว่ามีคุนธรรมที่ควบคุมแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่หมายรวมว่าจะไม่ไม่มีความพร้อมที่จะ ศึกษาเรียนรู้ความสามารถของศัตรูเนี่ยเป็นยังไรแล้วก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะตอบโต้มีความสามารถที่จะตอบโต้ศัตรูได้ด้วยพลังอาวุธหรือกำลังความสามารถต่างๆที่สามารถทาได้ทั้งหมดเนี่ย มันก็มาจากอายะที่หกสิบเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมาตราสําคัญในเรื่องว่าด้วยการทําสงครามการเตรียมพร้อมในการทําสงครามตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยอุลลามก็จะหยิบยกอายะเนี่ยอ่านดูละหุมัสต์ตั๋งตุนนินกูวะทีวรบาย ตระหี่บุนบีฮ์อาดูอัลลอฮิวาฮ์ดูวกุพวกเจ้าจะต้องเตรียมไว้สำหรับป้องกันสำหรับป้องกันพวกเขาสิ่งที่พวกเขาสามารถอันได้แก่กําลังอย่างหนึ่งอย่างใดและการผูกม้าไว้ก็คือก็คือพหันะอย่างทีเคยอธิบายก่อนแล้วนี้โดยที่พวกเจ้าจะทําให้ศัตรูขององค์และศัตรูของพวกเจ้า วันเกรงด้วยสิ่ง น, นั้นก็ด้วยกำลังหนึ่งกำลังอย่างนั้นอย่างใดเนี่ยซึ่งจะหมดสภาพความเป็นศัตรูที่จะต้องมีความพร้อมปะท่ากับเขาต่อเมื่อศัตรูนั้นนั้นหนึ่งยอมแพ้ยอมใจฮิจย่าครับอิสลามประกาศ ไม่ประสงค์ที่จะทำสงครามอยากทำสัญญาสันติภาพประสงค์ที่จะทำสัญญาสันติภาพกับมุสลิมกับมุสลิมความเป็นศัตรูที่จะต้องประทาที่ที่จะต้องไปไปไปทำสงครามกับเขาเนี่ยหมดความชอบธรรมตามหลักศาสนาทำสงครามไม่ได้ไปรุกรานเข้าไป ไปไปข่มเหงเข้าไปไปทําสงครามไปเขตุฆ่าแม้แต่ทหารของเขานี่ไม่ได้ก็เมื่อเขาประกาศในหนังสือฟุตูห์อัลบุลแดนขอิมามอัลบาลาซุรีนั้นเป็นอัลมาเนฟาซาตอทติซีอิจรออิมามบาลาซุรีได้รายงานเหตุการณ์พิชิต เมืองสมรคนด์สมรคนด์ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ในประเทศพวกสถานสถานแต่ในอดีตเนี่ยสมรคนด์มันอยู่ในรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของเอเชียนี่คือคุรอสานสมรคนด์นี่และถือว่าเป็นแควนใหญ่มากยุคของอุมรอับดุลฮาซีย์ซึ่งเป็นขอาิล้าที่มีความยุติีทรมมาก ในาัณกุมนี่ยปอกว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยพิเมืงสมุขสัมฤทธิแต่เจ้าเมืองสมุขสั a ฤท์เนี่ยดีกาไปยังอุมร์ bin อาลอซิสว่าทหารมุสลิมกองทัมุสลิมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ของการทําสงครามของมุสลิมหนึ่งคือเสนออิสลามสองเสนอจายดีเซียสามทำสงครามขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้เสนอแบบนี้เลยอยู่ดีๆก็ก็มารบอยู่ดีๆก็มามาม า, มาทำสงครามแล้วก็ยึดเมืองซึ่งดีการแบบนี้ ถ้าดังสงครามตลอดประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นดิกาที่ช่างสนกเสียนี้ขนาดพิชิตแล้วเ ม, ม, มือนก็ยึดแล้วเรียบร้อยแล้วจะเป็นดิกาอะไรกับกับผู้นำนีดิกาบอกว่าขั้นตอนขั้นตอนทำสงครามเนี่ยมีมีขั้นตอนหรือไม่ไม่ใช่ดิกาเบนอุมารุนอับดุลาอาซิสอุมรุนอัดุลาอาซิสรียอคม็ดครับ มาไต่สวนจริงหรือเปล่าว่าไปไปพิชิตเมืองสมรกัตก่อนที่จะปฏิบัติาตามขั้นตอนอว่าจริงไม่แปลกไอ้ที่ว่ามรบมรบนริวโาจีสเนี่ยเรียกเขามาไม่แปลกที่แม่ทัพเนี่ยพูดจริงนะก็ยังไม่แปลก ไม่แปลเท่ากับโยมระเงยสั่งให้แม่ทัพเนี่ยถอนกําลังกองทัพมุสลิมถอนหมดเลยออกจังศาลศาลทหารนะั่นเราก็รู้กันนะว่าศาลทหารเนี่ยเป็นยังไงทหารในเวลาขึ้นศาลนี่ก็อย่างว่าศาลมันเล็กนิดเนี่ยวพอทหารขึ้นเหยื่อไหมอะไรเกิดขึ้น่ะ ห่างแยเลยไม่แปลกนะที่โอเอร์รนอยเสเรียกแม่ทัพมาเพราะก่อนห น, น, น, น้านี้โอเวอร์รน้องข้าวมีกระทำมาแล้วใช่ไหเคยเล่าในเรื่งของชาวอียชาวคริสที่ลูกชายของอัมบอร์นิลลาสนไปไปข่มเขาตอนนี้เขาแข่งมาไม่แปลกไม่แปลกที่แม่ทัพนี่พูดความจริงแม่ทัพแต่ก่อนรุนเขาเลือก ผู้นำของเขาเนี่ยเลือกด้วยคุ ณ, ณธรรมคนที่มีคุณสมบัติด้านศาสนาเขาไม่ได้มาวัดนะเออมาดูกล้ามเนื้อก่อนเลยนี่กล้าไขกล้ามเนื้อยังก่อนก็ดูคุ ณ, ณธรรมไม่แปลกนะแม่รับเนี่ยพูดจริงจริงครับผมผมบุกแล้วก็ไม่ได้จริงครับไม่แปลกเท่ากับความแปลกเนี่ยไม่แปลกเท่ากับโจมบริมลอนที่ อ, อ้าวเธเป็นอย่างนั้นแสดงว่าการพิชิตเนี่ยมันกครับ นี่ประวัติศาสตร์ย اي, ืนยันได้ให้รู้ว่าสมรกล์เนี่ยเจ้าเมืองแล้วก็บพวกขุนนางที่ไปดีกากับอมรรมยามเดลอาซีสเนี่ยลาบลินอะไรเนี่ยอะไรอะไรที่กำลังเกิดขึ้นอุมรรมยายสั่งไม่ทั่วไปว่าถอน เจ้าเมืองแล้วก็ขุนนางเนี่ยรีบประชุมด่วคือเขาไม่ได้คิดว่าคําตัดสินมันจะเป็นแบบนั้นสุดที่เข้าคิดนี่ก็หมายถึงว่าอ๋อดีเขาไปไปยึดอะไรไปฮะดินแดนหรือทรัพย์สินอะไรไปยึดอะไรของเขาเนี่ก็คืออันนั้นนะี่คือสุดยอดที่เขาฝันว่าจะได้นะโอ้ย น, น, น, น, นี่ไม่ได้บอกเองแล้วก็อยู่ดีก็มายึดมาอะไรนี่จะทําไมเรา เราอยากจะร้องดองอย่ากจะอันนั้นนี่คือสุดสุดยอดที่เขาที่เขาคิดนะแต่นี่เ็าบอกเขาออกออกหมดเลยออกหมดเลยออที่พิชิตเนยโมกะโะ้เจ้าเมืองแล้วก็หุนานางในประชุมกันบอกว่าคนพวกนี้มีคนนุณธรรมระดับนี้ไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาออก เจ้าเมืองสมรตนแล้วก็ขุนานางนี่ก็ดีใจอีกครั้งหนึ่งก็ว่าขออย่าได้ออกรับอิสลามกันนั้งเมืองสมรติจึงเป็นเมืองที่ที่ได้รับอิสลามแล้วก็พัฒนาพัฒนาเรื่องการเรียนรูก้การศึกษาุนมี อุลมามะที่ออกจากสมรกล้นเป็นผู้รู้ระดับระดับโลกมุสลิ ม, มนะในระยะเวลาที่รวดเร็วมากและไม่ใช่สรกล้นอย่างเดียวนะคือถ้าหากว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยเข้าไปพิชิตภาคกลางของเอเชียนี่คือนับตั้งแต่อิหร่านไปถึงพวกประเทศเนี่ยประเทศสถานสถานเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ย ก็ยังถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมุสลิมส่วนมากนะภาคกลางของของเอเชียนี้ทั้งหมดเนี่ยนับจากแต่อิหร่านไปถึงเกือบชายแดนของจีนเลยนะรวมถึงเอเชียทางใต้ยันหนึ่งอินเดียและปากีสถานถ้าหากว่าประเทศเหล่านี้ดินแดนเหล่านี้ถูกพิชิต ด, ด้วยการข่มเหงด้วยความรุนแรง ร้อยปีสองร้อยปีก็อยู่ไม่ได้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยยึด阿尔จิเรียร้อยกว่าปีร้อยยี่สิบปีเพื่อจะได้ล้างสมองชาวบ้านไม ah e, ่ผู้หญิงคุมฮิญาไม ah ่ไ e, ม ah ่ e, คนอ่านกุดอ่านจะได้ลืมกุดอ่านเนี่ยนะแล้วเป็นยังไงแต่กองทัพมุสลิมเนี่ยได้พิชิตเมืองเหล่านี้ ขุราซานซามาร์คันควซูนเซจิสตานริสิสตานเมือนะงเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในระยะเวลาไม่ถึงยี่สิบปีนะไม่ถึงยี่สิบปีชาวบ้านเนี่ยเขาพูดภาษาอับเป็ิล่ะและไม่ได้พูดภาษาอับพอที่จะสนทนากับชาวอาับปิลซึ่งเป็นผู้ชาตะนะที่มายึดดินแดนของเขาอย่างเดียวนะไม่ เขาพูดภาษาอาหรับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับและในความรู้ใน knowledge ในในความรู้ของของชาวอาหรับนัะนมากกว่าอาหรับจนกระทั่งอาหรับมิสู้ไม่ได้ในรล้วเวลากี่ปีในระเวลาไม่ถึงคือพีชิดแล้วอะนะในระ้วเวลาไม่ถึงยี่สิบสามสิบปีนะนวเว 20, 30, 30, ปนี่ยเริ่มแล้วมีอุลมามะดี ก้าวหน้า ค, ค, คือคือแข่งขันกับคน อ, อาห ร, รับแท้ๆอุลามาเราแท้ๆยุบอุมารุมบินขอัตอบมักการนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญมากเมืองหลวงของอับอิสลามที่มัดีนะาแต่มักการก็ยังเป็นเมืองทิ่ถือว่าสําคัญที่สุดนะอุมารุมบินขอัตอบสั่งการให้ให้เจ้าเมือง ไม่ทั้งหดแตว่ า, วาอเมริของมักกะเนี่ยได้ไปไปร่วมสมทบกองทัพแห่งหนึ่งก็ถามเขาว่าท่านแต่งตั้งใครเป็นตัวแทนท่านที่มักกะเขาก็่ชื่อคนคนซึ่งคนคนนี้เนี่ยเป็นอดีตทาสที่ไม่ใช่อารัก ให้เป็นอเมรเมืองไหเมืองมักกะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมืองเกิดของท่านนบีนะแต่แต่อุลามาเขาเรียกว่ามหาบิญฑเป็นเป็นที่วายูประทานลงมาในช่วงแรกๆเนี่ยครึ่งกุศลที่ถูกประทานลงมาที่มักกะเมืองสำคัญมากแต่งตั้งเขาเรียกแต่งตั้งคนที่เป็นมวลีเป็นอดีตทาส breaker. คนที่เคยเคยเป็นทาสอยู่ในเมืองพิชิตพิชิตต่างๆแล้วก็ได้เป็นเฉลยแล้วก็ถูกปล่อยเป็นอิสระคนเหล่านี้นี่กยก็จะมาว่าหลี่มาว่าหลี่ก็หมายถึงว่าเดิมหี่ก็ไม่ใช่เป็นคนอิสระเป็นเป็นคนเคยที่เป็นเป็นทาสคนที่เคยเป็นทาสเนี่ยในสายตาของในยุคนั้นน่ะนะจะเป็นทาสหรือจะเป็นอิสระแล้วโอ้โหนี่ก็อดีตทาสแหล่ะ เขาจะมองแบบเป็นเป็นเป็นคนชั้นต่ำในยุคนั้นนะ่ะนะแต่สำหรับสังคมมุสลิมเนี่ยไม่มีไม่มีมุมมองนี้อามารุนเขาตอบบอกว่าโอ้แต่งตั้งคนนั้นเป็นอามีรใเช่เหรอจริงแล้วจริงแล้วที่ท่านน บ, บรรีบอกอินนัม ล, ลอฮ์ก่อนที่เขาจะบอกว่ า, าแล้วก็ทำไมแต่งตั้งเขาเขาบอกว่าเขามีคว า, า, วามรู้เรื่องกุรอานและสุนนะ มกสุที่เป็นอดีตาตุที่ไม่ใช่อารับนเราะารามีเขาตอบว่าอะไว่าอิลที่ท่านนบีบอกอินนัแหละเราฟังมีอัลกุรอานอัความันวยะรุบอครีแนั้นด้วยอุปอรณเนี่ยอัลล์จะยกสถานะคนบางคนแล้วก็จะให้สถานะคนอีกกลุ่มหนึ่งได้ทาใจให้เห็นว่า การทำสงครามเพื่อพิชิตเมืองต่างๆในยุคอิสลามไม่สามารถแม้กระทั่งคนที่ได้เขียนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นธรรมะซึ่งส่วนมากในนักนักประวัติศาสตร์ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวหามุสลิมโดยเฉพาะยุคสหฮับะและก็ยุคยุคต่เงแตยุคซลักเนี่ยที่ ที่จะเป็นยุคที่พิชิตเมืองต่างๆพิชตอาณาจักร伊斯兰เกล่าวหาว่าการพิชิตเมืองต่างๆมุสลิมเนี่ยเป็นเป็นยุคของจกกักรวรรดินิยเพราะสิ่งที่มุสลิมได้ทํา <c oughs> หลังจากพิชิตเมืองต่างๆนั้นไม่เคยปรากฏในพระวัติศาส์มนุษย์ เลยโทรโลกอ่สรุปแล้วในอายาที่หกสิบเนี่ยว่าสิ่ง<ม>ที่มีความชอบธรรมในการทําสงครามในการเตรียมอาวุธในการเตรียมพร้อมดันการทหารทั้งหลายเนี่ยก็คือก็คือคำเนี่ยซึ่งคำนี้มันมีสตอรี่หน่อย ตุรหิบุนบิฮีอาดูอัลลอฮ์ให้สัตรู้ของอัลลอฮ์และสัตรู้ของพวกเจ้าวันเกรีงด้วยสิ่งนั้นบิฮีด้วยสิ่งนั้นตุรหิบุนะวันเกรีงความชอบธรรมในการที่จะมีความแข็งเกร่งในการที่จะให้สัตว์วันเกรงทุกประเทศนี่เขากระทำก จะประเทศใหญ่ประเทศเล็ลกนึกวาทำเงินมีอาวุธมีทหารมีกําลังความสามารถด้านการทหารเพื่เพื่อเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนก็ตามมาณนะที่คิดคิดจะไม่ประสงค์ดีหรือคิดจะมายึดหรือจะมาเอาเรื่องจะมาหาเรื่องกนะับเขาอะนะ้ออตรต้องคิดหนักเลยพวกนี้คงมีท ห, หารคงมีอาวุธแบบนี้นะใช่ไหม ให้เขให้เาเก่งใจบ้างแต่พรากฏว่าสื่อที่เป็นอาหรับสื่ออาหรับ น, นะ mm hmm. เขามาแปลคำว่าก่อการร้าย mm hmm. ก่อการร้ายเทอร์เ mm ิอ hmm. รเน่ยมาแปลเป็นภาษาอับเนี่ยใช้คำว่า อิรหาบอิรหาบก็คือทำให้วันเกรงซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคำภ า, ภ า, ภาษากิจหรือคำอื่ น, นอย่างภ า, ภาษาไทยเนี่ยก็การร้ายคือคือมันมีมันมีกมันมีกสิ่งร้ายที่มันไม่มีความชอบไม่มีความชอบ แต่ถ้าไมแต่ถ้าไมไปเลือกคําว่าอิหราบอิหราบจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญน่ะนะมันไปตรงกับคําเนี้ตุลีบุนนะตุลีบุนนะเพราะรากษ์ของตุรีบูนนี่ก็คืออิหราบนี่แหละเออบอว่าเ้าถ้าจะใช้คําว่าทริสหรือกอการายเนี่ยถ้าเป็นภาษ า, าอาบาล่ะ อนน้นักวิชาการเขาเขาวิเคราะห์กันเขาบอกพอคนที่ม า, ม า, ม, ามาแปลหรือมาใช้คําว่าเอรฮับในสื่อนี่ไม่ใช่ในกักวิชาการศาสนาก็เป็นนักสื่อและก็ส่วนมากนักสื่อนี่ก็ ก, ก็ส่วนมากกับก็เป็นขี่ข้าไงแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาเรื่องเรื่องศาสนาด้วยแต่ทําไมเรียกคําว่าเอร์ฮับล่ะถ้าแบบนี้ประเทศใดที่ เตรียมความพร้อมให้ประเทศอื่นที่ประสงค์ร้ายเนี่ยที่จะมาบุกรุกจะมาลุกร้านอ่ะ น, นะให้มันหวั่นเกรงนี่ก็แสดงว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยมันเป็นอิมันเป็นอินฮับ ม, มันเป็นก่อการร้ายแล้วสิที่บอกว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องถกเถียงมีเรื่องสตอรี่ในเรื่องนี้เรื่องถกเถียงว่าที่เขาแปล เพราะวนี้เนีเป็นคำที่ใช้อย่างกว้างขวางการก่อการรายย้ายเนีในโลกอาหรับนะใช้คำว่าอิหรานแต่นักบูชาการศาสนาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าหนึ่งเหตุผลแรกเนี่ยมันเป็นคําแปลที่มันไม่ตรงกับความหมายที่มาจากตะวันตกสองมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงเนี่ยก็หมายถึงว่า คนที่ก่อการร้ายเนี่ยคนที่แบบว่าทําร้ายคนอื่นโดยมิชอบเนี่ยแลมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นเรื่องที่สามารถป้ายสีใครก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีกฎเกณฑ์หรือม า, มาตรฐานในการที่จะควบคุมคําคเนี้เทลลิซิหรือการก่อการร้ายเนี่ยฮามาสที่ปกป้องดินแดนของเขา ก็กายนป็นผู้ก่การหลายเนี่ยที่ที่มาของความผิดเพี้ยนของของคําศัพท์ที่มันไม่มีต้นตอไม่มีที่ไปที่มาไม่มีเหตุผลไม่มีไม่มีมาตรการไม่มีคุณธรรมเลยอ่ะนะอะไรย่างนั้นนะก็กลายเป็ฉันไม่ชอบพิหน้าใครนลยก่การร้เราไปยึดดินแดนเขาเราไปเราไปยึดสไปปล้นทรัพยากรของปล้นชาวบ้านเขาพอชาวบ้านนี่เขาลุก ลุกกันมาต่อสู้มาขับไล่คนเหล่านี้ออกจากดินแด น, นของเขาเนี่ยโดนกล่าวหาว่าก่ออะการายคนแอฟริกาเนี่ยก็โดนเงินเพียบขับไล่พวกฝรัง่งฝรั่งที่มา ย, ยึดดินแด น, นของเขาก่ะการายพวกก่ะการาย ใช้กันมาเป็นศตรวรรษนะตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเป็นประเทศแรกที่ที่ใช้คำว่า t e r ริ r i s m t i s m เอ่อใช้กับพวกมุจาฮิดีนที่ยอที่อัลจีเรียที่ออกมาเมื่อสู้รบจะได้ขับไล่คือจะได้ประกาศเอกราช ดั้งข้อหากับพวกมู穆杰迪นที่จะซาเอรที่แอลจีเรียเนี่ยว่าเป็นพวกก่อการร้ายหลังจากนั้นอตาลีนก็เอาด้วยก็ถือว่าลีเบียเนี่ยที่เขาไปยึดครองนี่ก็เป็นอาณาเขตเป็นเป็นนิคมอนณานิคมของเขานล้เป็นเขตหนึ่งของอิตาลีแล้วก็ชาวลีเบียเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลเมืองชาวอิตาลี พอชาวเลิเบียนนี่บอกว่าไม่ใช่ดินแดนนี้ของเราแล้วเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่พวกเจ้าออกจากดินแดนของเราอมาเป็ุกตอร์ก็เลยโดนข้อหาว่าเป็นเทอร์เทอ ร, ร, ร, ร, ริสริสเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผู้ ข, อขอ้อ <c> ก <oughs> ักตันในกิจาการศาสน า, าก็กสแสดงจุดยืนบอกว่ามันไม่ใช่ เรื่องเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันต้องดูมันต้องมันต้องดูเรื่องความชอบความชอบธรรมอิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายอิสราเอลล่ะก็ผลิตนิวเคลียร์นี้คืเเอเหมือนกันนะแต่เป็นประเทศสนับสนุนก็หมายเพราะอะไรอ่ะ ไม่มีคนตอบทุว่นนี้ก็ไม่มีคำตอจนกระทั่งในคุยคร้อคนเขาบอกว่าการก่อาการร่ายหรือเทริสเนี่ยมันคล้ายๆล้าจวีตอิมพลล์มสมัยอาหรับรือเอามาบูชาพราหมดวาระนี่ใช่แล้วอะนะทำอะไร อินมันเอาเอาแอบลั่นี่มาปั้นเป็นรูปบั้นนะกบูชาการกการร้นี่มันก็มันก็เป็นอะไรเป็นมาตรฐานโอ้โหนี่ยูเอหรือประชุมอะไรระดับนั้นเราต้องรักษาป้องกันโลกนี่ไม่เกิดกองก่อกาก่อการด้ายมาอย่าดูคนนี่พวกนี้ก่อการด้โอ้โหเขารบเรือง มาตรฐานต่มาถึงวาระที่ฉันจะก่อการ้ายบ้างล่ะกินมันไม่มีแลวมาตรฐานหนึ่งทริจก่ อ, อการ้ายเนี่ยก่อกันขอกันเล็กเลยสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็มีมีความต้องการทุกวันนี้เนี่ยก็ ก, ก็ยังประเทศต่างๆนี่ก็ยังไม่ยอมรับนะ เพราะทุกวันนี้เนี่ยแม้กัรดั้งสัตวประาชาชาติหรือองค์กรต่างๆระดับโลกไม่มีคำนิยามที่เหมือนกันที่ยอมรับกันทั่วโลกอะไรคือกอการอะรอะไรคือกอการะ ไ, รไม่มีคำนิยามที่เสถแล้วปัญหานี้มัน ก, ก็เกิดส่วนมากก็เกิดจากการที่การทำสงครามเนี่ย ขั้วโลกมันมันไม่มีคุณธรรมมันไม่มีหลักเกณฑ์มันไม่มีกรอบแล้วทุกวันนี้ผลประโยชน์ที่กาลังเกิดขึ้นทุกวันนี้นี่นะทุกวันเนี้ยมันก็เกิดจากความมิชอบความไม่ถูกต้องที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นประเทศมหาอำนาจใหญ่ที่สุดที่มีเศรษฐกิจ อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกานี่ก็เกิดจากการปล้นก็คือคนฝรั่งนี่ไปปล้นทวีทั้งทวีและหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นเขาก็กลายเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโลกเป็นตำรวจโลกความชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นยังไงวันดีคืนดีเนี่ยเรารู้จักนะโจรเนี่ยเป็นรู้จักนะ หน้าตาเนี่ยรู้จักเลยที่มาป้นบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมาขโมยไก่มาขโมาแต่วันดีคืนดีเราไปสอนอไปแจ้งความอันอารมสารวัตรท่านคือใครไอ้โจนที่มันมาป้นน่ที่มันมาขโมยไก่นี่แหละนั่นนหะนนนะคือสารวัตรที่จะรับการแจ้งความนั่นแนหะคือสารวัตรความหวังของรัศดร ในการที่จะรับความเป็นธรรมอะเป็นไปนเด้ไงอเมริกาเป็นตำรวจโลกก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นโจนเนี่ยที่เคยป้นเน่ยที่เคยป้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยสิย่งแวอมที่ทำให้เขาแข็งแกร่งนี่ก็มาจากการปล้นประชาชนแล้วเขาจะมีคุ ณ, ณธรรมจะมีมาตรฐานในการที่จะชี้ถูกชี้ผิดอย่างเป็นธรรมอย่างมีความชอบธรรมได้ไงเป็น ดิกาเหมือนสมัยสมรรถกัตไหมไปป้อนอเมริกาได้ไงดิกาแล้วจะให้ออกจะเกิดขึ้นไหมโอ้โหมีทางเพอเทียบแลยบเทียบแนวนะหวะังประวัติศาสตร์ของอิสลามที่น่าภูมิใจของเราเนะี่ยกับประวัติศาสตร์ของเขาเนะมันมันต่าง ก, กันอย่างสิ้เนเชิงเทียบกันไม่ได้โลกกระสันสนับสนุนให้เราได้ ทุ่มเทในการที่จะ ส, สนับสนุนและบริจาคเพื่อให้มีความพร้อมในการเตรียมอาวุธและความสามารถด้านการทหารจรึงเป็นส่วนหนึ่งของสากาัดที่มีเ อ, เอกฉันแน่นอนระหว่างบรรดาอุลมาในแปดจำพวกนี้นะที่เราได้บอกว่าเป็นจำพวกที่ أنيان أي <يعني> زكاة بحولنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه م وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل ن في سبيل الله إكشن لنا نهون تام ولاج إكشن لنا بلاه قامع ماي تأكشن لنا وفي سبيله ل ل ا كله نهون تام การทำ jihad เพื่อป้องกันป้องกันป้องกันทุกอป้องกันดินแดนป้องกันชีวิตป้องกันทรัพย์สินป้องกันเนี่ยให้ต้องมีความแข็งแกร่งรัฐอิสลามต้องมีต้องมีความสามารถในการป้องกันทรัพยากรของตัวเองในการนี้อนุาให้สั่ โดยไม่มีความขัดแย้งเลยแค่ลอัลละฮ์ก็เลยบอกว่าแค่ลอัลละฮ์ก็เลยบอกว่าว ف ِ ق ُ้ตุนฟิ شَيْءٍ فِي سبيل َِِ ا ل ل َอัลลอฮิวัฟเ ل َ ي ْ ك ُ م ْ وأنتم ََُْْ لا َ ت ُ ظ ل َ م ُ و ن َแล้สิ่งที่พวกเจ้าบริจาคในทางของอัลลอฮ์นั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นก็จะถูกตอบทแทนแก่พวกเจ้าโดยครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกกระ س و ر ة البقرة الله كدي يو اتحار هندي ب و ر ج ع ت له اتحار الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى مثلا ل ذ ي ن ي ف ه و ن وله في سبيل ا ل ل ه ك م ث ل حبة أمدد سبع سنابل في كل سجولة مئة حبة اتحار ق ن د ي بورجات له اتحار الله في سبيل ا لايك مثلي เรยบเสมือนมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเมื่อปลูกเพาะแล้วนี่มันก็จะขึ้นเป็นเจดพวงแต่และพวงนี้ก็มีร้อยเมล็ดก็หมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งเมล็ดเนี่ยได้ผลมาเป็น7จร้อยเมล็ดก็เท่ากับผลละบุญห น, นึนน่งคะแนนเท่ากับเจ็ดร้อยคะแนนอันนี้ประมาณ กัลโอลมาสลาฟหลายท่านแล้วก็รุ่นหลังซึ่งโอลมารุ่นก่อนโอลมาซาลาฟสมัมยมมขขนนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยและไม่มีการคัดค้านนะเขาไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยเลยอ่ะแต่รุ่นหลังเนี่ยเขาก็มาวินิจฉัยกันแล้วก็อิซาบีลินแลเนี่ยเฉพาะการทําจีฮาดหรือการสู้รบหรือ หรือเรื่องอื่นที่มันเป็นประโยชน์ในการสร้างความแข็งแกร่งในในสังคมในสังคมงคมุสลิมทุกเรื่องที่ถือว่าฟีซาบิลแลในหนังดังอัลลอฮ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งในสังคมมุสลิมถือว่าฟีสบิลแลแต่ส่วนอลัลลอฮส่วนมากในรุ่นหลังนะเข้ากว่าทุกเรื่องยิ่งถ้ามายุค ป, ปัจจุบัน เราเริ่มเห็นโครงสร้างของอรารยธรรมซึ่งส่วนหนึ่งของอรารยธรรมเนี่ยคือความสามารถด้านการทหารใช่ไหมส่วนหนึ่งของอรารยธรรมนี่ยความสามารถด้านการทหารแต่ก่อนนู้นนะ่ะเขาอาจจะไม่เห็นภาพว่าความแข็งแกร่งด้านการทหารเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการศึกษาแตก่กอนก็อาจจะอาจจะ ไม่เก็ตนะทำไมอ่ะอาวุธนี่มันก็มีแค่นิดทนูุหอกดาบมา้าอะไรแค่ น, น, นี้แค่นี้และแค่นี้มันต้องมีความรู้อะไรมากมายไหมต้องมีอะไรมากมายแล้วตอนนี้ละ่ะจะทำโรดรนอะ่ะจะทำจรวดอนะ่ะทำเครื่องบินรบ มันต้องมองถึงกระบวนการการศึกษาทางโครงสร้างฉะนั้นในการสร้างความแข็งแกร่งด้านการทหารนี่นะตอนเนี้ยมันหนีไม่พ้นว่าความแข็งแกร่งด้านอื่นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องฉะนั้นพีซบิลี่แลนี่เรื่องการศึกษาเรื่องรักษาโครงสร้างของสังคมให้แข็งแกร่ง ทำไมอ่ะส่งทหารไปสู้รบไปสู้รบการชายแดนแต่ในเมืองอ่ะพละเมืองชาวบ้านไม่มีอาหารจะกินเนื่องจากว่าไม่มีกเกษตรไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีอะร่ะแห่งนั้นกหารออกไปสู้รบไม่ต้องไปสู้กับศัตรูแล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านนี่แหละเขาเาจะไปจัดการทหาร บอกว่าพว ก, กมึงเ อ, เอาอาหารของเราเนี่ไปสู้โลกของเราไม่มีจะกินแสดงว่าการสร้างความแข็งแกร่งในสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่งด้านการทหารเพราะจะไปสู้รบกับศัตรูโดยที่สังคมเนี่ยไม่มีความเป็นปึกแผ่นไม่มีความมั่นคงในทุกด้านย่อมพ่ายแพ้เหมือนกัน แลก่อนนู้นเรื่องนี้อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนแต่ที่หลังเนี่ยพอเราเริ่มเห็นแล้วก็แล้วก็สังคมมนุษย์เนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างนี่มันก็เริ่มเกี่ยวพันนอุลมะเขาก็เลยวินิจฉัยเขาบอกว่าจะหาว่าพีซาบิลและนิสการนี่จะต้องสกาดในเรื่อพวกนี้ก็เฉพาะเรื่องสงครามอย่างเดียวเรื่องการ เตมพร้อมอาวุธอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นเหตุผลทุกเรื่องที่ทําให้สังคมเรมีความแข็งเกร่งรวมถึงเร่งถูกถึงเรื่องการบริจาคในหนทางของเราก็คือเรื่องกิจาร ด, ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าตรีบูนบีอดูอัลลอฮิวาอดูฮ์กุโดยที่พวกเจ้าทําให้ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกเจ้าวัานเกรงด้วยสิ่ง น, นั้นด้วยอาวุธ และกําลังที่จะเตรียมให้เขาเนี่ยจะได้ไปสู้ขเขาเนี่ยและพวกอื่นอีกตื่นจากพวกเขาก็คือศัตรูอื่นอ่นอีกจากศัตรูที่เราคาดคิดอุลามาบางท่านบอกว่าศัตรูอื่นนี้คือใครอ่ะบางท่นานเสนว่าซึ่งบปนท่นานที่แปลกนิดนึงยิน ศัตรูอื่นมัมีซูบินแต่ถ้าันนิษฐานบอกว่ารัฐอิสลามหนูต้องแข็งแรงหนูต้องมีของเท่าโตโยตุศัตรูตื่นอ่ะตื่นตรงเนี้ยก็คือพวกบูนาบิก อ, อันนี้นะเขาท่าก็คือศัตรูภายในถ้าเขาเห็นว่าเอ้ยไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีอะไรเนี่ยนะใครมีผลประโยชน์ใครมีอะไรแล้วก็มี มีตนไม่กี่คนนะบลนอำนาจง่ายเหลือเกินไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีมาตรฐานไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรที่จะนะกบฏที่ไหนนในทั่วโลกนี่เคยมีมาตรฐานอยู่ความมีก็มีมีที่ไหนอ่ะมีกฎเกณฑ์ที่ไหนอ่ะรัฐประหารอ่ะที่จริงเน่ยมันประหารรัฐน่ะสนหรับคำแค่นั้นแหละ มันไม่ใช่รฐประหาร น, นะมันประหารรัฐนะมันมีรัฐนะรัฐนะที่ดูแลควบคุมความเรียบร้อยอ่ะนะแล้วเขามาประหารซ ะ, ะประหารเฮ้ย <c oughs> มีอะพูดเรื่องนี้ดูมันยาว <c oughs> ไปฟังใบยานละกันนะ ม, นมีข้อมูลน่าสนใจที่มันเกิดขึ้นที่พม่านี่ะนะที่จะมาตอกย้ํำวะ สงครามไม่ใช่เป้าหมายการเข็นข้าไม่ใช่เป้าหมายการเตรียมอาวุธนะไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายนี่คืออะไรคือสันติสุขกําชับไว้อีกอายะหนึ่งให้มันชัดเจนนะให้มันชัดไปเลยว่าอินจะฮุลสลิฟเจนฮล่าห้ามสั่งและทวกละอัลลอฮิอินนุวอัลซามิุลอาลีหาพวกเขาโอนออกมา คือการประนีประนอมแล้วประนีประนอมอาจารย์ดิเรกใช้คําว่าสันติเหลือหมายถึงว่าถ้าเขาอ่อนมาเพื่เรียกร้องความสันติมันก็ถูกต้อ ง, งแลครับมันถูกต้องกว่าเพราะอัลสลเนี่ยอัสลนีคือค อ, นะ อ, อัสลามสลามนี่ก็คือสันตินะอาจารย์อิสลามนี่เป็อาจาอิสลาม ดิบุเนี่ยเป็นสัติว่าอินจะพูลมีลมี่ลมีมันก็เป็นนามรูปรากหนึ่งในภาษาอเนี่ยลซลามเหมือกันและเซลก็คือลานแหละก็คือสันติว่าอินจะพูดว่ลมีหากว่าเขาเลือกลำเอียง อ่าใช่อลําเอียงเลือกอ่อนข้อยอมที่จะเรียกร้องให้เกิดสันติสุขสันติภาพระหว่างกันยุติสงครามพยะเจ้ล่เจ้านี่ต้อง เ, อเจ้าก็ต้องอ่อนโอนอ่อนตามเพื่อการนั้นเพื่อสันติ เ, เพื่อการนั้นด้วย นี่เป็นเรื่องสําคัญทัว่วโลกกันน ะ, ะสู้รบกันแล้วก็ฝ่ายนึ่งฝ่ายนั้นยกธงขาวก็แสดงว่าอันนี้เขายอมแพ้ยอมแพ้นี่ห้ามซ้ำเติมนะฮรห้ามค่ายแล้วนะก็เขา ย, ยกยกธงขาวเลยไงธงขาวนี่แสดงว่าบริสุทธิ์แล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากสู้แล้ว แต่อิสลามให้เกียดทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายศัตรูไม่เรียกว่าการที่เขาอ่อนข้อการที่เขายอมแพ้ไม่เรียกว่าฝ่ายที่ยอมแพ้เนี่เราก็จะยอมไม่เขาไหมให้เกียรดเขาเขาไม่เขากลัวเราเขาไม่กล้าสู้กับเราเขาไม่อะไรอันนี้ช่างเขาในเมื่อเขาประกาศเขาบอกว่าเขาขอสั น, สน สันติสุขสันติภาพมุสลิมต้องสนองนี่คือหลักเกณฑ์ที่บิดพิ้วไม่ได้มุสลิมมุสลิมบิดพบ้วไม่ได้ในนามส่วนตัวหมายถึงว่าในในกลยุทธ์ส่วนตัวชีวิตของเราอะนะใครที่ไม่แสดงความก้าวราไม่แสดงการละเมิดกับเรา ยิ่งแสดงความประสงค์ที่จะประกาศความสันติกับเราด้วยวาจาหรือพฤติกรรมหรือลายลักษอักษรห้ามและเมื่อเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นคำทักทายของมุสลิมเนี่ยด้วยกันเนะ่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำทักทายธรรมดาธรรมดานะเพราะคำว่าอ s ส a l าอะไรก i k u m คือ ฉันจะไม่ละเมิดท่านท่านจงอย่าละเมิดซูดอันนี้แท้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เตือนแล้วจะบอกว่าใครจะมาอ้างว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราสู้ไดเพื่อ จะได้ทำสงคารามจะได้จะได้ป้นเขาจะได้ทำไม่ได้เมื่อมีใครประกาศสันติภาพกับเราด้วยวาจาอัสสลามอฺหรือแร่ลักษณ์ส่งจดหมายประกาศความประสงค์โดยแรลัลกษณ์หรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยบ่งชีเชน อ, อัลนอฮศสุลล่าอัลลอฮฺอะลัยฮิวซัลลัม ก่อนเข้าเมืองที่ประกาศสงครามกันและกันนะเมืองที่ประกาศสงครามกันและกันนะที่รั่วนี้มีศัตรูนะนายบิว่าเดี๋ยวก่อนเราจะไม่บุกโดยกาน์ดนรออย่างสุโบถ้านาบีได้ยินเสียงอาจานอันนี้มันนึกเมืองบุคฮารีถ้านาบีได้ยินเสียงอาจานก็แสดงว่าเมืองนั้นเขาอนุญาตให้มุสลิมอยู่ได้และมาได้ไม่บุกไม่ยุง เอาเขาไม่ได้พูดเนีเขาไม่ไดาา้คือบางทีเนี่ยข่าวรือว่าเขาเนี่ย อ, อาจจะไม่ประสงค์ดีหรือซ้ำไม่เกี่ยวพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขามีอนุญาตให้มีมสัสยิดมีอนุญาตให้ละหมาดอนุญาตให้ยกอาญาเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับเราและมีก็ไม่บกุกไม่ทสาสงครามคนเลีย้ยงส่วนตัวหรือคนเลี้ยง ของกลุ่มและรักกลุ่ ม, มนิยมด้วยกันละรัฐต้องมีอุดมการณ์อุดมคติที่เข้มงวดในเรื่องนี้คืออะไรเป้าหมายของเราเนี่คือสันติภาพสันติสุขให้มันเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน <c oughs> สงครามไม่ใช่เป้าหมายสูรบไม่ใช่เป้าหมายการทะเลาะเบาแวงกันการกัดกันกันอะไรไม่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมาย ถ้าเป็นเป้าหมายของเดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์ป่านี่ใช่สัตว์ป่านี่อยู่ได้เนี่ยเพราะด้วยนี้น่ะยกยกกันไปยกทับกันไปกัดกันไปํากันไปนั่นนะ่ะสัตว์ป่าแต่มันด้วยกันนะไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยสันงิภาพขอตถวกล่าวอัลลอฮ์ไม่ถึงกลัวรนะ ไม่ทำสงครามเดี๋ยวไม่มีสัพย์เลยไม่ทำสงครามเดี๋ยวจะทำให้เขาบางาังอาจก้าหารมาคุกคามมาเตียวอะไรไแต่วัด ก, กันอาลัลอฮ์จงมอบหมายแต่อัลลอฮ์เธอดูทีที่มั่นในอุดมการของกองทัพมุสลิมนี่ก็คือก็คือให้ให้สันติภาพนี่เป็นพิบัติท่านอามีโซมก็ว่าในอุม ในช่วงที่มักกะกับมดีนะก็คือกุริยชุิชางูชริกีนแล้วก็นบีซอฮาบะว่าจริงอังสารที่มดีนะ่นเนี่ยอยู่ระหว่างการทำสงครามซึ่งผ่านสงครามกันมาแล้วเนี่ยสามสงครามใหญ่สงครามบัดอุดแล้ก็ขัดดักนบีอยากจะแสดง ความบริสุทธิ์ก็เลยใส่ชุดเอรอมสีขาวไม่ถืออาวุธครองออหรอมแล้วก็ไปมักกะ ว, วัเนี้มาเพื่อจะได้ประกอบศาสนาอิสางเดียวมากันเป็นพันเลยนะมากันเป็นพันเลยชาวกรีซ ไ, ไม่ยอมให้กันนบีขาว ไม่เอาไม่ท่านนายบีเข้าเพราะว่าดราต้องคุยกันเจรจากันก่อนสอง่งผู้แทนท่านนาบีก็เลยส่งท่านฮุสต์มาดำนิยมฟ้าไปเข้าไปมาก้าไปเจรจากับผู้นำองคุริชฮุสตมานเนก็ไปอยู่อูนานนะแล้วก็ข่าวลือออกมาว่าเขายึด ต, ตัวท่านอุสต์มัเป็นประกันเพื่อประกาศสงครามแคนนั้นแหละ นบีก็เลยรับสัตยาบันจากสหาบาหัวในเมื่อเขาเลือกที่ทำสงครามเราก็พร้อมที่ทำสงครามแต่ในขณะเดียวกันท่านนบีสุลมาอัลเล ย, อย์อสเซนลัมเขาบอกว่าเขาจะเสนอข้อเสนอใดๆอันเป็นสันติภาพที่จะเกิดขึ้นขา้ขาพเจ้าก็จะตอบรับ ไอ้ดีตอูสมานอิบเนาะฟานนี่ก็ก็ออกมาพร้อมสุไห่อิบนาะมุรเป็นตัวแทนของชาวคเรชมาคุยกับท่านนบสาพอท่านนบีเห็นตัวสุไห่อิบนาะมุเป็นผู้หลักผูญของชาวคุเรชมุสลิมนะคาว่าสุไห่สุไห่แปลว่าง่ายดาพอท่านนบีเห็นสุไห่บอกว่าท่านนบีกก็กาวว่าสาหุนอัมรุคุม เออเรื่องเรานี่น่าจะง่ายลงส่วนยอ้นี่ก็มาเสนอกับท่านนาวีบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมท่านคือท่านมาเนี่ยเรามีเรานเรานี่อยู่ระหว่างการทำสงครามกันแล้วก็ท่านอยู่ดีๆจู่ๆมาทำองร้าเนี่ยจะมาเข้ามากล้เนี่ยชาวอาหรับทั่วข้าบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาก็กระนี้ไงมาหมันเนี่พอนิคจะไปก็บไปนิคจะเข้าก็เข้า เราก็ถูเหียดยามเราก็โดนโดนกล่าวกล่าวหาว่าไม่มีน้ำยาสิปีนี้เนี่ยท่านไม่ไม่ต้องเขา้ามาทำอุ้มร้ปีหน้าปีนี้เนี่ยไม่ไม่อนุญาตให้มาปีหน้าแล้วก็ยุติสงครามสิ ป, ปี ท่านท่านนบียอมต่ถ้ามีเคยประกาศเขาจะเอาอะไรสันติภาพนี่นะฉันยอมหมดยอมถึงขนาดนี้ยอมไม่ทำอุมรอ์มาปีนะ่ะยอมอยุี่สงครามสิปียอมไม่ไม่ไมทมาอะไรไม่ได้อีกอย่างในช่วงสิปีเนี่ยถ้าชาวกุรชคนนึงอะ บางอาล์ไปรับอิสลามแล้วก็หนีไปหาท่านนะแล้วเราไปขอตัวนะนะต้องมอบตัวและถ้าหาว่ามีคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะออกจากอิสลามแล้วก็หนีมาหาเราเนี่ยเราไม่ต้องมอบตัวลําเอียงชัดชัดไหมลำเอียงชัดชัด แต่ท่านอั บ, บียอมจนกระทั่งสาบานคือเราอยู่อยู่ในสถานะที่ไม่ได้อ่อนแอสักทีขมรินุนดลขับวอ า, าวก็ย่า ر س و ل u ล l a h ที่มนุษย์ที่ดั่นีแต่ฟีดีแต่ไม่แต่ไมต้องมาต่ำตอยนี่นั่นสัสนาของเราให้เข้าล่ะ ทานบีเตือนอุมรวัยพรุมรอออีมีรัสูลุละห์อุมรลืมตัวเปล่าถ้าเชือนี่คือรัสูลุละห์หงว่ที่ทำนังบนนี่นะไม่ได้ทำมันเล่นๆอีมี่รอสูลุล์ลืมตัวเปล่าอุมรงตอบบอกว่าทั้งชีวิตทำบุญทำชีวิตเนี่ยทำชีวิตนี่นะทำความดีทำบุญเพื่อลบล้างความ ตั้งตาที่เขาไปท้วงท่าท้วงท่านนบีในวันนั้นท่านนบีทําได้ไงแบบนี้มีแค่เทียงท่านนบีฮะมุดเขาถว่าเป็นบาปใหญ่ที่ต้องชั่วชีวิตเนี่ยต้องทําความดีจะได้ชดชดที่เขารู้สึกว่าเขาร่วมเกินท่านนบีสั่งบอกแต่นี่ให้เห็นว่าเป้าหมายของ ของในมีปฏิบัติให้เห็นน่ะสันติภาพจริงๆในมีจริงใจกับสันติภาพและถึงขั้นที่ยอมยอมในข้อตกลงที่มันถือว่าเสียเปรียบมากอ่ะนี่เธแบบบวชฝ่ายหนึ่งฝ่ายนึ่งอ๋อเ้าเป็นเชลยศึกใครเนี่ยเออถ้าหนีไปนี่เราเรียกมาแต่ถ้าของเรานี่เราไม่คืนกับอะไร มันไม่แฟร์เลยนะถ้บมียอบพื่ะให้เกิดสันติภาพก็จะเกิดข้อระแวงระหว่างการเจราจาสันติภาพซึ่งอายันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาสันติภาพของอัลฮูดัยเบียนะฮูดยเบียนี่มันปีที่หกนี่ทั้งหมดเนีญญ่ยก็ยังอยู่ระหว่างเรื่องสงครามบาดแต่ช่างเป็นเป็น เป็นคำสั่งสอนดูเหมือนว่ามันมันมันไม่เข้ากับมันไม่เข้าสู่สถานการณ์คนที่รับชัยชนะทั้งทีแล้วอ่ะนะเออน่าจะมีแบบว่าน่าจะมีคำสั่งสอนเกี่ยวกับการแสดงความยิ่งใหญ่ความอลังการนี่คือจะรีบประเพณีของแม่ทัพของกองทัพในเวลาชนะมาอะไราแสดงความยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่า ชนะแล้วนี่อัลลอ์ชนะไ อ, สอ้สุนาขแต่ไม่ใช่เป้าหมายนะเป้าหมายนี่คือสันติภาพน บ, บีบิิชิตมักกะปีที่แปดโอ้โหเมืองที่ท่านน บ, บีถูกขับไล่นะ่ะหลบหลบซ่อนซ่อนนะ่ะต้องไปซ่อนตัวที่ไหนอ่ะในถ้ำซาอรเนี่ยออกอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนนะ่ะ นบีเข้ามากล้าหน่นะแมททับทุกคนน่นะตลอดประวัติศาสตร์นี่โอ้เข้าเมืองที่ตัวเองเคยถูกคมเหนเคยถูกฮะยังไงเข้าเมืองไงเคยดูฝุ่นหนังพวกเนี้ฮะไม่เพราะว่านบีขี่อูดอูดนี่มันจะมีเหมือนเก้าอี้บนอูดนะนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังนี่มันก็จะมีเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนเป็นไม้อะไม้ที่จะพิงบนก็บอกว่าท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีเนี่ยก้มหัวก้มหัวแสดงความถ่อมตนเขาบอกว่าขณะที่ศีรษะนบีเกือบจะแตะไอ้ไม้ของเก้าอี้เนี่ยไม้ที่ก้มเกือบจะสูญสูญแล้วเพื่อไม่แสดงความอลังการความยืดหยุ่นยโสยามที่ ยามที่นบีชนะนะยามที่นบีเข้าแล้วนะเข้าพิชิตมักกะแล้วเมืองที่ถูกขับไล่นะคือถ้าท่านนบีทำนี่ก็ไม่ผิดนะเท่าเมืองที่ถูกขับไล่นี่นบีก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความความยินดีกับตัวเองกับกองทัพของตัวเองแต่นบีแสดงความทมตนแสดง嘛 คุณธรรมของมุสลิมในการทําสงครามมันมันขัดกันอย่างสิ้นเชิงกับจารีตประเพณีกฎเกณฑ์วัฒนธรรมหรือมาตรการที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามมาวางกฎเกณฑ์ใหม่ในการทําสงครามเนื้อหาสําคัญของการทําสงครามนี่ก็คือคุณธรรมต้องมีคุณธรรม สันติภาพเนี่ยก็จะมีก็จะมีพวกแนวบูนเนี่ยก็เอ้อสันติภาพได้ไงมันจริงใจหรือเปล่าเนี่ยเลาละกันดักไว้แล้วพวกพวกขุนนางขุณนางบูนเนี่ยว่าอินยูรีดุอิยัคดะวกะฟะอินฮัสบักอัลลอฮฺเลดะฮะวาพวกพว ก, พวกเขาต้องการที่จะหลอกหลวงจา้า ถ้ามีใครบอกว่านว่างนะเนี่ยก็จะหลอกลวงเจ้านะสัญญานี่มันใช่มันจริงใจหรือเปล่าเขาบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจถ้าเขาถ้าเขามีความประสงค์ที่จะหลอกลวงเจ้าก็แท้จริงอินนะฮัสมบัลลอห์แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าแล้วพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ฮัสบัลลลอห์ حسب <سؤال> بكم الله بينكما مدير أعلاه فإن حسبنا الله والله بين قلبه.لو تَمِيَّ كَأَيْدِكَ بِنَصْرِهِ و ที่เจ้าเนได้รับชัยชนะข่าวนี้เนี่ยไม่ได้รับชัยชนะด้วยความสามารถของตัวเองตัวเองไม่มีความสามารถพระองค์ต่างหาดคือผู้ที่ได้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์อวบวิลมุมนีนหรือโดยผู้ัรทาดังไล่ที่เจ้าชนะด้วยการสนับสนุนลแล้วก็ด้วยผู้ศรัทธาที่เป็นกำลังใจ ฉะนั้นอย่าให้การแสข่าวอย่าให้ข้อสงสัยใดๆอย่าให้ข้อะลวแงใจใดๆขัดขวางคุณธรรมที่จะให้เกิดซึ่งสันติภาพอันเป็นเป้าหมายสำคัญสำคัญกว่าการทำสงครามเราได้อ่าน <c oughs> อายะเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องมนโนภาพ ว่าคำสั่งสอนนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะยามสงครามไม่ใช่มันก็เป็นคำสั่งคสั่งสอนที่มีความหมายในทุกมิติในทุกมิติระหว่างการความขัดแยงระหว่างสองตระกูลนนที่มักจะเกิดขึ้นบ บ่อยในสังคมในสังคมมนุษย์การแข่งขันระหว่างสองเผ่าสองตระกูลสองสองพักพวกสององคอ์กรสองกลุ่มสองมีไหบางทีเราไปมององค์กรอื่นไปมองตระกูลอื่นตระกูลอื่นนี่ก็ไม่ชวนอื่นเป็นลูกพี่ลูกน้องแท้ๆนะ มองว่านั่นนะกเรชแท้ๆเลยหมาถึงว่าเอาเอาอายะนีะน้ที่อัลลอฮฺพูดถึงกุเรชที่เป็นมุสลิกีนนะ่ะนะเราเอามาใช้นะแล้วก็มองถึงลูกพี่ลูกน้องของเราอีกตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันนี่แหละนะแต่มองเขาเป็นกุเรชไปเลยอนะ่ะ มองอีกค์กรยังไงเนี่ยพวกมุชริกินมัคขมักกนี่แหละแท้ๆเลยอ่ะไม่สลามกันฮไม่สลามกันไม่ไม่มองนะไม่สลามกันไม่มองหน้ากันไม่ไม่สมัคคีกันไม่อะไรอะไรกันขนาดนั้น <karış karış>? มันก็เป็นคำสั่งสอนที่ต้องขัดเกลาจิตใจของเราไม่ใช่ยามสงครามเดียวเพราะบางทีเนี่ยมิติของสองครามเนี่ยมันจะมีขนาดย่อมของมันที่ปรากฏในชีวิตของเราที่จริงหรืสอสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศสองประเทศอาณาจักรสองอาณาจักรนี่จริงเนี่ยมันก็คือการขยาย การขยายเติบโตของการทะเลาะเบาแวงระหว่างมนุษย์สองกลุ่มชาวลารบนะนี่มีเผ่าสองเผ่านี่บักรและก็วัยอินบรรลบักรบรรลุวัอนสองเผ่าลุกพี่ลูกน้องกันแต่แท้เลยลูกพี่ลูกน้องกันแท้แท้เลยขาจัดเขาจัดแข่งแข่งขันอูดอูด วิงแข่ก็มีคุณหญิงคนหนึ่งอนนของเผ่านี้มีอูดอยู่ตัวหนึ่งเพรามีอูดอยูตัวหนึ่งชื่อดาสดาสแล้วก็ผู้นําของเผ่านี้ก็มีอูดอีกตัวหนึ่งชื่ออโลบรา แข่งกันอูดนั้นเป็นสิบสิบสบตัวนะแต่สองตัวนี่นะคือคือที่แข็งแกร่งที่สุดที่นะพอมาแข่งกันน่ะสุดท้ายนี่ก็เหลือสองตัวนี่แข่งกันแข่งกันแต่สุดท้ายเนี่ยดาเฮสเนี่ยซึ่งเป็นอูดของคุณหญิงคนหนึ่งของเผ่านี้ชนะไอ้อูดของอัลกบรอของผู้นํา ผู้นำอีกเผ่าหนึ่งซึ่งสองเผ่านั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเพราะอูดของคุณหญิงคนนี้นชนะแล้วเนี่ยก็ลูกน้องของผู้นำนี่นะดะด้วยความอาสมะด้วยวามชนะได้ง่ายมันก็เลยจับดาบแล้วก็ไปเชือดอูดเชือดอูดดาฮิส อูดถ้าอาณาจักของโ้นน่อูดอูดน่ยิ่งก็รุดแรนะยิ่งก็มุดสายะิ่งกมุดสายอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยอะไรอ่ะะ่เออถ้ามีใครเดินแล้วก็ไปขูดเนี่ยนะเนี่ยตั้งใจเอาเอาอบุญญไปขูดอย่างเงี้ย อะไรก็เกิดขึ้นอ้ังกับมอเตอร์ไซค์อ่มันไม่ใช่คนนะลูก้่ารู้ไม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขารักยิ่งกว่าลูกนะรถเบนเนี่ยเขารักยิ่งกว่าลูกนะแล้ว ก, ก็ น, นู้นก็แบบนี้นะนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะไปฆ่าอูดินน่ะโอ้โหเนี่ยเนะขารักอูดิ์ยิ่งกว่าลูกคุณหญิงคนนี้ก็เลยไม่ยอม คนเอยไปไปฟ้องไปผู้นำของเผ่านี้เนี่ยก็แทนที่จะไปเจรจาไปเดี๋ยททำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่คุยไม่พูดไม่คุยเขาก็บอกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ไปฆ่าเจ้าของอลากรัก็คือผู้นำเผ่าทำให้เผาสองเผ่านี้เนี่ยเกิดภาวะสงครามสี่สิบปี 40ปีทำสงครามกันฆ่ากันเนี่ยเพราะอะไรเพราะอูสมบัวชื่อได้ฮิสอัลกับรอจนรียกว่าสงครามได้ฮิออสอัลกับรอสี่สิบปีอัลเอาสอัลฮัซรัดลูกพี่ลูกน้อง ก, กันที่อยู่มาดินะรอีสิปีตลอดกันสงครามนี้มันเกิดขึ้น ระหว่างสองอาณาจักรระหว่างสองประเทศเนี่ยมันก็เกิดมันก็เติบโตจากกัรเนี่ยทะเลาะคนคนกับคนกลุ่มกับกลุ่มเผ่ากับเผ่าเนี่ยซอยกับซอยอย่างเงี้ย เ, เทคโนโลยีกับเทคโนโลนน ย, ยียุ่งทับกันนะมานะอ่อนปัญญามนุษย์นะ่ะก็ถึงขั้นดีรัฐที่มันอ่อนปัญญา สู่ร่วมกันเพราะอะไรทิมอะไรเล็กน้อยอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเพราะการสังหารผู้นำประเทศคนหนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะเพราะมีผู้นำประเทศถูกถูกถูกสังหารนะเกิดสงครามโลกเลยนะคนตายมี10สิบล้านนะ แค่นั้นเอาหลักการเนี่ยเอออย่าอย่ามอว่าเออหลักการนี่คือหลักการสงครามอย่างเดียวนะไม่ใช่มันก็คือคุณธรรมที่เราจะใช้กับส่วนตัวเช่นเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การทะเลาะเราไม่ได้มีชีวิตในโลกนี้เนี่ยที่จะได้ทะเลาะกันน่ะเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนี้เพืเ่อแสดงความแข็งแกรง่งเฮ้ยมันจะได้รู้ว่าเราก็เป็นใครเออ มันจะได้ไม่ดูถูกเราอ่ะมันจะนี่คือความคิดของคนที่อยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นี่ก็ยังมีคนคิดแบบนี้หนึ่งใช้มือถือไอ้ o นสิบสองนี่ยังคิดแบบนี้่มันจะได้รู้ว่ากูเป็นใครอ่ะแต่แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าอะไรก็ไม่ดังอะไรก็สิงโตอย่แล้วมันเอาใครเสียงดังกว่า มันจะได้รู้พวกเป็นใครอ่ะก็ไปด่ากันอเลยกับพวกเดรัชานยังไงความหมายนี่ไม่ใช่การแสดงความอลังการความแข็งแกร่งนะไม่ใช่เพรามหมายคือสันติภาพอะไรที่เป็นสันติภาพเนี่ยมุ่งมุ่งไปดูสันติภาพเนี่ยเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เราใช้ใช้กับเป็นคุณธรรมส่วนตัวในชีวิตของเราเนี่ยเอย่อมใช้ได้ แต่ใ ي ك م <تكلم> أيان อ ب ا ل م ؤ م ن ي ن لا الله داي هاي هاي نبي داي رب ร ج ن ا دوي حُو سَتْهَا تَعْلَى أَنِّي نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى نَعْلَى ن ْ ل َ ى َ ع ْ ل َ ى ْ ل َ ى َ ع ْ ل َ ن ل ل ن ل ن ل ع ل ن ل ن َْ ن ْ ن ْ ن ََْْ ى ن สำคัญในการที่จะให้ท่านได้รับคชนะชยหน้บิลมูมินด้วยผู้สถาตัวมันมีสำคัญจึงเป็นเรื่องที่สังคมทั้งหมดเลยต้องต้องให้ความสำคัญกับความสามัคคีความเป็นมามในเฉพาะพอนี่คือชัยชนะที่แท้ ดังนั้ سبحانه ก็ได้อธิบายเนี้ใละเอียดมากในอายั้งไปแต่ไม่มีเวลาทีต้งยุย่อไปสต่านนะอั ه ลอี